สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซู ต, ตอนที่463เรื่องของพระฌานพระวิญญัณบริสุทธิ์ตอนที่เจ็ดพี่น้องครับท่านคงจำได้เมื่อวานนี้ผมได้ยกตัวอย่างภาพของคึินจักรบางแห่งเป็นภาพของรถโดยสารคือคนขับรถหนึ่งคนซึ่งเป็นสีบานแล้วก็มีกระเป๋าก็คือเจ้าหน้าที่ของขึ้จักรและผู้โดยสารนั่งสะพนกด เต็มรถมากกว่าที่จะเป็นภาพร่างกายซึ่งอวัยวะทุกส่วนทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งไม่มีส่วนไหนเลยที่พิการคนน้ําทําหน้าที่อย่างนั้นคนนี้ทําหน้าที่อย่างนี้เพื่อให้ส่วนรวมทั้งหมดดําเนินไปอย่างเข้มแข็งเป็นการอภิบาลศิษย์เป็นการทําให้ขึ้นจากขยายออกเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นการนําวิญญาณมาถึงมาถึงพระเจ้าพี่น้องครับ ภาพพจน์ที่ผิดเพี้ยนไปของขึ้นจักรก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้มีคําถามว่าเราจะต้องมีการรณรงค์ด้านของประฐานด้านการใช้ของประธานอย่างถูกต้องในขึ้นจักรหรือไม่คําตอบก็คือควรทําเป็นอย่างยิ่งครับหรือพูดง่ายก็คือต้องทําการรณรงค์ด้านการใช้ของประธานของคริสเตียนทุกคนสมาชิกทุกคนในคขึ้นจักนั้นจะต้อง ทำนะครับอย่างต่อเนื่องการรณรงนี้ก็สนับสนุนผู้รับใช้เต็มเวลาครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกรับผิดชอบในบทบาทตามของประธานของตนรับผิดชอบในบทบาทของผู้นาด้วยรับผิดชอบในบทบาทของหลายหลายอย่างซึ่งจะประสานกันทำให้คิดจักรของพระเจ้าเติบโตแต่มีคิดจักรหลายแห่งครับ โดยพ่อศรีบานนะั้นมักจะบ่นว่าสมาชิกขาดของประธานผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่านี่เป็นข้อแก้ตัวครับสมาชิกของเราไม่เคยขาดของประธานเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ประทานของประธานให้กับพิจักแล้วถ้าหากว่าเราขาดของประธานบางอย่างเราจะต้องพร้อมใจกันอธิษฐานขอครับแต่ไม่มีสมาชิกไหนที่ไม่มีของประธานพี่น้องครับสีบาลห้าม อ้างหรือแก้ตัวว่าสมาชิกขาดของประธานเราจะต้องขวนขวายแสวงหาของประธานพระคัมภีสอนว่าคึ้จักแต่ละแห่งเป็นพระกายของพระคฤิสต์พี่น้องครับคึ้จักรไม่เคยขาดแคลนของประธานตามขีด่าว่าท่านเป็นกายของพระคฤิสต์พระคฤิสต์ทรงประทานของประทานให้กับทุกทุกคน เพราะฉะนั้นเราอย่าประเมินแบบเนื้อหนังอย่าประเมินแบบมนุษย์แต่ให้เรามีความเชื่อและเชื่อวฟังพระชนะของพระเจ้าการประเมินแบบมนุษย์นั้นทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระชนะของพระเจ้ากับการประเมินของเราก่อให้เกิดวิกฤตการแห่งความเชื่อครับวิกฤตการแห่งความเชื่อก็คือสีบานและขิ้จักนั้นก็ ไม่มีความเชื่อพอไม่มีคามําไม่มีความเชื่อฟังในพระเจ้าของพระเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อถือพระเจ้าและเราเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าเราก็ย่อมพร้อมที่จะเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงประทานของประทานเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยนะครับก็พระองค์ทรงเต็มใจที่จะประทานให้ขึ้นจากแต่ละแห่งมีของประทาน หลายอย่างหลากหลายนา น, นรัการเพื่อความเจริญงอกงามความไพยบณ์และพันธกิจของิีจักรจะได้ก้าวหน้าชีวิตของคริสเตียนจะได้เสริมสร้างกันและกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเวลาเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อใดว่าสมาชิกขาดของประธานเราเข้าใจผิดอยู่ครับหน้าที่ของเราก็คือสารภาพบาปและอธิษฐานอธิษฐานของให้พระเจ้าใช คนที่มีของประทานซึ่งพระเจ้าให้อยู่แล้วออกมาครับและให้เขาปรินาตัวในการที่จะถวายการรับใช้พระเจ้าโดยใช้ของประทานที่มีอยู่พี่น้องครับให้เรามุ่งขวนขวายสแสวงหาของประทานต่างๆซึ่งถูกเก็บงำไว้นะครับเก็บงำไว้ในชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรนั้นๆบางอย่างของประทานนั้นถูกเพิกเฉย ละเลยฝังดินเราจะต้องหนุนใจซึ่งกันและกันครับให้ใช้ของประธานหนุนใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับชี้แนะแนวทางที่เขาจะได้เห็นว่าในชีวิตของเขานั้นมีของประธานอย่างน้อยหนึ่งอย่างครับซึ่งพระเจ้าประทานให้พระเจ้ามอบให้ยาวไปฝังดินครับในข้อพิมพ์มีหลายตอนนะครับหากพี่น้องจะดู ก็จะพบในหนึ่งทิโมธีบทที่สี่ข้อสิบสี่หนึ่งทิโมธีบทที่สี่ข้อสิบสี่และหนึ่งและสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อหกชัดเจนมากเลยครับไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายัางต้องเอาใจใส่ครับศิยาพิบาลจะต้องเอาใจใส่ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ของประทานจริงอยู่ครับเราหรือคึอจากเราเปิดให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆ แต่ถ้าให้เหมาะสมและตรงตามพระคมีรมากยิ่งขึ้นคริอจัดนั้นควรจะตื่นตัวมองเห็นพระเจ้าทรงเสริมสร้างและจัดเตรียมบุคคลต่างๆและส่งเรียกคนของพระองค์ให้มาทำหน้าที่นี่นครับผมผมขออนุญาตพูดช้ำอีกครั้งนะครับเราจะต้องขวนขวายของประธานต่างๆนะครับสนับสนุนให้สมาชิก ควรควายแสวงหาของประทานต่างๆที่ถูกเก็บงำไว้เก็บซ่อนไว้หรือถูกเพิกเฉยละเลยหรือถูกเอาไปฝังดินเราจะต้องหนุนใจซึ่งกันและกันให้สมาชิกใช้ของประทานทุกทุกคนที่พระเจ้ามอบให้กับเขาอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างเราจะต้องเอาใจใส่ส่งเสริมให้ใช้ของประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับขื้นจักรในแง่ของการดูแลอภิบาลในแง่ของการพัฒนา ในแง่ของการขยายแผ่นดินของพระเจ้านำวิญญาณสู่พระคริสต์ยิงอยู่ครับแม้ว่าเราเปิดให้อาจาสมัครมีส่วนร่วมเข้ามาทําหน้าที่ต่างๆแต่จะให้ตรงตามพระมงผียิ่งขึ้นขึ้นจักนั้นทั้งขึ้นจักจะต้องตื่นตัวมองเห็นพระเจ้าทรงเสริมสร้างและจัดเตรียมบุคคลต่างๆและทรงเรียกคนของพระองค์ให้มาทําหน้าที่ีนะครับแต่ละคนต้องทาหน้าที่ขึ้นจักนั้นควรมี รายการของของประธานหรือความต้องการของคึ้นจักรเช่นคึ้นจักรเรายังขาดคนเช่นนี้ในหน้าที่นี้งานนี้ซึ่งต้องการคนที่มีของประธานเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานเป็นเวลาฟูทานก็ดีพี่น้องครับขึ้นจักรมีหน้าที่อำนวยความสะดวกขึ้นจักรมีหน้าที่ช่วยสมาชิกให้แสวงหาขวนขวายและพบของประทานของตนเอง สีบานหรือผู้รับใช้เต็มเวลานั้นจะต้องทำหน้าที่นี้ครับเพื่อที่จะติครูดนะครับเสาะหาผู้คนมากมายที่จะ็เข้ามาช่วยงานของคริจักรเพราะฉะนั้นการระบุเป้าหมายการระบุทรัพยากรที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้เป็นเรื่องสำคัญครับพี่น้องครับคริจักรนะครับเน้นผู้รับใช้เต็มเวลาก็จะไม่เติบโตครับ คึ้จักต้องเน้นผู้รับใช้คารวาตคึ้จักต้องเน้นผู้รับใช้ที่เป็นอาสาสมัครนะครับและผู้ที่เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่รับค่าตอบแทนรับเงินเดือนนั้นก็จะต้องทําหน้าที่ประสานครับเป็นฟาสิลิเตเตอร์ฟาสิลิเตเตอร์ก็คือผู้ประสานงานผู้ที่เสาะหาเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นแมวมองเพื่อที่จะทําให้ขึินจักนั้น มีของประทานและมีคนที่ใช้ของประทานได้อย่างหลากหลายและทุกคนได้มีส่วนร่วมในหน้าที่ของขึ้จักทั้งหลายนะครับสมาชิกทุกส่วนของบัางกายนั้นมีหน้าที่พึงปฏิบัติอยู่แล้วเราต้องค้นหาว่าเขาจะทำหน้าที่อะไรเขาจะทำหน้าที่อย่างไรและเขาจะทำหน้าที่เมื่อใดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ ในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปถึงอีกหัวข้อหนึ่งครับว่าแหล่งของของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นเราได้มาจากไหนตามพระเจ้าของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยคึกจักทุกค์คึกจักนะครับพี่น้องที่รักของผมเพื่อที่จะให้คึกจักนั้นจะมีคนที่ใช้ของประทานนะครับมากมายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดคึกจักนั้นจะเป็นคึกจักที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นคึกจักของพระเยซูคริสต์ที่มีสง่าราศี เป็นที่สวายเกียรติแด่พระองค์สวายการสรรเสริญนำ้ำมศการพระองค์อย่างแท้จริงอาเมน